ตอนอบรมคอร์สนาวามินครั้งที่4ระหว่างวันที่ 12-14 พฤษภาคม2560ตอนที่สองคุณวั น, นสิงห์เขาได้ไปปฏิบัติที่ศูนย์6วันแล้วก็ให้ทีมงานไปถ่ายทำเราดูภาพกว้างๆเสียงไม่ค่อยดังเป็นคนหนุ่มซึ่งมีวิชั่น<ช>นะนะเขาตะเวนไปหลายประเทศทั่วโลก ไปสัมภาษณ์องค์ไดรัละมะกผู้นำคิดวิญญาณหลายศาสนานะตอนนั้นเขาบอกพ่อครูว่าเขาไม่มีศาสนานะแต่6วันที่เราได้สนทนากันแล้วเนี่ยพอเขากลับมาก็ประกาศว่าเขาเป็นพุทธศาสนิกชนแต่เป็นพุทธศาชนที่ไม่ลงองไงนะคือเราแลกเปลี่ยนกันเยอะมากก็ทุกท่านดูเพราะบางคนไม่เคยไปสูนก็ดูภาพรวมนะ แต่ทีนี้มันไม่เงินเก่าแต่หลักมันอะไรล่ะคือเด็กนักเรียนเราเยอะขึ้นเนาะเสียงมันดังขึ้นแต่ก็สงบเหมือนเก่านะเสียงคือกระทึกกระทุ้งไม่ใช่ที่มาของความไม่สงบความไม่สงบเกิดขึ้นจากอารมณ์และท่าทีที่เรามีกับมันแนวที่เราทำเนี่ยคือน้ายอกน้าบ่มเราต้องสมุบอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่วุ่นวายได้เพราะชีวิตเราอยู่ข้างนอกมันไม่ได้เงียบอย่างที่เราคิด เราไปหนีไปในป่าไปนั่งสมาธิเงียบๆไปนั่งกดมันไว้พอโมะออกมาข้างนอกมันไม่ได้เงียบอย่างที่เราคิดเห็นไหมเมื่อเราเข้าค่ายเราไปฝึกยิงเป้านิ่งยิงเป้านิ่งยังมีเวลาทำสมาธิเลงอยู่ยิงผิดยิงใหม่ได้แต่ชีวิตจริงเรามันไม่ใช่เป้านิ่งมันเป็นเป้าบินนะเขาจะดา่าแล้วเขาไม่บอกว่าระวังนะพูดชาๆกาลังจะด่านะมันมันด่ามาเลย เราต้องสู้ความจริงการฝึกจิตต้องฝึกจิตให้รู้เท่าทันสิ่งที่มากระทบเงียบเราก็ต้องสงบได้เสียงดังก็ต้องสงบได้อยู่เฉยๆก็ต้องสงบเคลื่อนไหวก็ต้องสงบเพราะชีวิตเรามันไม่ได้นั่งอยู่เฉยๆอย่างเดียวใช่ไหมพอเราไปฝึกนั่งอยู่เฉยๆเรากดมันไว้ก็รู้สึกเออใช้ได้ดีนะอันนี้เด็กๆก็ทําได้นะแต่ชีวิตเรามันต้องเคลื่อนไหว แล้วต้องอยู่กับสิ่งที่มากระทบทางหูทางตาทางจมูกทา ง, ทางลิ้นทางกายภาพนะเนี่ยคาว่าฝึกจิตต้องฝึกจิตให้รู้เท่าทันอารมณ์ทั้งภายนอกกับภายในนะก็ก็เข้าๆคือแนวนี้ก็คือว่าหนังยอกหนังบุมทีนี้พ่อพูไปเร็วๆเพราะมีเวลาไม่มากมีคำถามทําไมหมุนแล้วเย็นหัวแต่หมุนไปก็ไม่เป็นอะไรค่ะแรกๆเราใช้สมองหมุน มันมีเจตนาอยู่นะยิ่งมันมายืนหมุนยืนหมุนอย่างนี้ด้นะไม่ถึงกี่รอบมันก็เวียนหัวละแต่สุดท้ายถ้าเราข้ามมันได้ปุ๊บเนี่ยอัอลหันที่กงคนจีนเขาไหว้อะไรเนี่ยเขาไหว้พระพุทธเจ้าอยู่ตรงกลางซ้ายมือไหว้พระโพธิสัตว์กวนอิมถือศีลจิงเจขวามือไหว้ขี้เหล้าจินเนื้อสัตว์เป็นพระละหัน อาหารหันต์งทงศาสตร์ที่กงนี่ก็คือกินเหล้าเพื่อมองสมองซีกซ้ายนะให้ให้ไอ้โลกียสตินี่มันอ่อนแอนะไม่งั้นจิตเราไม่อิสระเราถูกไอ้ความคิดตรงนี้มันมันคอนโทรลตลอดเวลานะตัวเมาจะจิตไม่เมายิ่งเกิดยารู้ของจิตแต่อย่าเรียนแบบนะหลายคนกินปุ๊บ 99% เาอร์เมาล้ขาดสติไปเลยแต่อาหารหันต์ที่คงไม่ใช่ยิ่งเมายิ่งเกิดยารู้ มันเป็นสาหนึ่งทีนี้ที่เราทําอยู่ไม่ต้องพึ่งเล่านั่งเบียงมาไปเพราะถึงมันก็เมานะมันเมาเองถ้าเราไม่เมาเราก็ไม่ยอมอาเจียนเรากลัวอาเจียนมากชีวิตเราจิเลตเราชอบแต่เอาเข้าไปอร่อยอร่อยแต่ออกมาเราชี้เหนียวไงไม่ยอมการ้องออกเนี่ยคือร่างกายมันปรับสมดุลพิษเพลิดอะไรที่ไม่ดีเอาออกเกิะเอาออกนี่เป็นเรื่องที่ดี แต่ถ้าเราไม่เมาเราก็ไม่กล้าเอาออกหนึ่งอายบ้างและความรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ปกติการอาเจียนไม่ปกติจริงๆแล้วมันคือความปกติของการปรับสมดุลของร่างกายเราเพราะกูเนี่ย28ปีถ้ากินอะไรผิดปุ๊บบางทีมันออกเดียวนั้นเลยนะถ้าบางทีข้างในบางทีมันต้องผ่านการย่อยอย่ามันก็ออกข้างล่างมันปรับหมดมันไม่มีตกค้างเมื่อจิตมันสะอาดแล้วเนี่ยมันจะออกนะขอไม่ดีอย่าไปเก็บมันไว้เลยอาอ นะคนเป็นโรคกระเพาะเออไรเอยเนี่ยเดี๋ยวก็หายนะก็ที่แรกหมุนก็รู้สึกเวียนหัวแต่หมุนไปหมุนมาก็ไม่เป็นอะไรนะเมื่อเราชำนาญแล้วเราหมุนด้วยจิตไม่เนื่องจากสมองแล้วเนี่ยไม่เวียนหัวหมุนสองชั่วโมงก็ไม่เวียนหัวหนูมาครั้งแรกค่ะทำอย่างไรจะหายจากเวียนหัวทุกครั้งที่โยกตัวจะอาเจียนตลอดค่ะ เป็นความปกติของแนวนี้ท่านห่างแล้วไม่มีอะไรสงบเย็นมีความสุขปึกไม่ได้อะไรเลยไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมชีวิตเราเนี่ยทุกทุกคนไม่มีใครทุกว่าฉันไม่ทุกฉันไม่ทุกันนั้นโกหกคนที่พูดอย่างนี้ได้ก็คือพระอรหันต์เท่านั้นเราทุกข์แต่เราไปกบเกินมันเราไปกินอะไรอร่อยอร่อยเไปทาอะไรที่เรามีความพอใจกบเกินความรู้สึกทุกข์นั้นเท่านั้นเอง ไม่มีแม้แต่หนึ่งคนไม่ทุกข์นะพูดว่าฉันไม่ทุกข์เนี่ยก็พูดไปเถอะเป็นคำพูดเฉยๆแต่มันไม่จริงนะพระอาหารย์เท่านั้นที่พูดได้นะชีวิตเราหนีทุกข์ตลอดเราจรึงไม่เห็นธรรมเราหนีมันตลอดนะเราหนีทุกข์ตลอดนะทุกมีไว้ให้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นเห็นทุกข์อ่ะดีแล้วแต่อย่าไปทุกข์กับมันนะก็เป็นสภาวะปกตินะ มีขันตีอดทนนิดหนึ่งตอนนี้กําลังปรับสมดุลของร่างกายแล้วก็เรายังไม่คุ้นเคยเมื่อจิตมันเกิดอิสระแล้วเนี่ยไม่ต้องใช้สมองไปหมุนจิตมันดําเนินเองบางทีเราหมุนหมุนกำลังเบาสบายเผลอไปคิดปุ๊บมันจะไปหนักขึ้นหัวเลยเนี่ยมันเป็นมโนกรรมมันหนักกันจรเลยนะอารมณ์ต่างๆมันมาอยู่ที่ความคิดเนี่ยทําไปเรื่อยๆแล้จะเกิดความชานาญกับมันเนาะคําว่ามันนี่คือใครเดี๋ยวเราก็รู้เองนะ มันคืออาจารย์เรานั่นแหละคือจิตเดิมเราจิตเห็นจิตคือมัรผลของจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งคือนิโรธนะผู้ปฏิบัติเป็นโรคไมเกรนถ้าผู้ปฏิบัติเป็นโรคไมเกรนที่ฟังเสียงดังๆมากแล้วจะปวดหัวและอาเจียนจะทําอย่างไรทําอย่างนี้ถูกแล้วเป็นเจตนาที่จะให้มันอาเจียนแล้วต่อไปเราจะไม่มันจะหายทันทีเลย นี่คือหนาม ย, ย่อหนามบกไอ้ดนตรีมัมบับที่ไปฟังโอ้เราปวดหวัวฟังเพลงเพระๆนะแล้วก็ลืมความคิดทุกอย่างได้ความสุขเวลานั้นเหมือนอยาพาราปวดหัวปุ๊บ ก, ก็เอาอยามากินปุ๊บเดียเด๋ยวฤทธิ์ยามันหมดก็ปวดอีกอันนี้คือหนามยอ่อหนามบกนะครับอดทนนิดหนึ่งอะไรก็หายหมดไม่มีมีแ ม, ม, ม, ม้แต่หนึ่งโรคไม่เกี่ยวกับคนของกัน บีหมัดมาปวดหัวหขาหาแยกเปน็นอมพะนิ่งกรรมไม่พ้น น, นะไม่ยอมรับมันนะยอมรับมันแล้วก็เบี่ยงทินเหมือนเราผ่านขั้นตอนในการจ่ายหนี้แหละบางคนไม่เชื่อว่าจ่ายหนี้กรรมทางจิตได้มันจะง่ายอย่างนี้เหรอไปฆ่าเขามาแล้วก็บอกว่าก็เหมือนมีบางศาสนาใช่ไหมวันอาทิตย์นี่เขาเข้าไปในบวดวิหารแล้วก็เปศารภาพ บ, บาปอันนั้นได้แค่สบายใจ แต่พิบัติกำมันยังอยู่นะสบายใจเพราะฉันได้ปวดปล่อยแล้วแต่กรำที่เราเขาเราเราฆ่าเข้ามามันไม่หายไปไหนมันไม่ได้จ่ายนี่อะไรเลยแต่เข้าไปในทางจิตนี่เราจะทุกทรมานกับตัวนั้นอย่างชีวิต จ, จริงเราขี่รถไปขีม่มอไซค์ก็ชนปุ๊บขาหากักโอ้ยโอยโอ้ยนั่นแหะจ้องจ่ายนี่กรำโดยความรู้สึกทุกบางคนทุกเพราะเจ็บปวดบางคนทุกเพราะถูกเขาโกงบางคนทุกเพราะอกหกัก ต้องจ่ายหนี้กรรมได้ความทุกข์นะอันนี้เราก็เราก็ทุกข์กับมันเลยในกรรมฐานเห็นไหมนั่งเวียนหัวเมื่อกี้เนี่ยมันทุกข์อ่ะอาเจียนด้วยฉันไม่อยากอาเจียนเราก็ต้องจ่ายหนี้ตรงนี้นะมันเป็นกระบวนการที่หนามยอกหนังบนนะอย่าไปหนีมันหลังจากหมุดแล้วมีอาการขึ้นไส้แต่ไม่อาเจียนพระอื่นพระอม รู้สึกไม่สบายเวียนศีรษะร่วมด้วยจะแก้ไขอย่างไรหมุนต่อไปกําลังมันไม่พอที่จะให้มันอาจเจียนผื่นผ์นะกรรมบางอย่างเนี่ยหนึ่งนาทีผ่านบางอย่างชั่วโมงหนึ่งผ่านบางอย่างสองชั่วโมงผ่านแต่ละหนึ่งนาทีของเราเนี่มากมายเหลือเกินนะบางชั่วโมงเนี่ใจ่ายหี่กรรมสิ้ชาติทําไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะเห็น นะเห็นตอนเราเกิดมาปุ๊บไอ้ภาพที่หลักๆที่เราบันทึกไว้มันปุ๊บทั้งทั้งกรรมดีกรรมชั่วแล้วก็ตายแล้วตอนเกิดมาอีกแล้วก็เป็นอารมณ์อีกคือี ก, อกแล้วก็ตายนะมันายนี่กรรมพังจิตเร็วมากนะเราใจานี่ไม่หมดหรอกเราสร้างมาหลายแสนแสนกับนะกับหนึ่งเท่าไหร่กับหนึ่งเท่าไหร่ห เ, หรเขาเปรียบเสมือนว่า กว้าง16กิโลเมตรคูณ16กิโลเมตรเนี่ยเขาเรียกว่าเอ่อ16ตารางกิโลเมตร100ปีเอาเม็ดผั ก, กาศเม็ดหนึ่งมาใส่ใส่จนมันเต็ม16ตารางกิโลเมตรนั่นแหละ1กับการบรรู้ธรรมเนี่ยต้องอย่างน้อย 100,000 กับหลับตาดูสิอุ้ย คิดอย่างนี้ไม่ไม่ไม่กล้าปฏิบัติไม่ไม่ไม่ราไม่รู้เกิดเมื่อกี่ชาติเอาไวว่าหนึ่งร้อปีเฉลี่ยวเอารออยุยืนหนึ่งชาติกันแล้วกันเท่ากับเราได้เอาเมล็ดพักกาเนี่ยไปใส่วางไว้เนี่ยสิบหกตารางกิโลเมตรนะบางทีเราคิดโอ้โหมันห่างไกลตัวเ้วเกินเคิดผิดคิดใหม่ได้นะถ้าเราไม่ฝึกมามากมากแล้วเราไม่ได้มานั่งอยู่ที่นี่เราไม่ได้เกิดมาในร่างรุษผู้ประเสริฐ เทวดายัางดีฉาเราเนะต้องการแลกเปลี่ยนกับเราเอาไหมซื้อแสนล้านบาทแล้วให้ฉันมันเป็นมนุษย์แทนเธอเนี่ยเทวดาทาไม่ได้เขาต้องเสพกรรมดีนะั้นนะอย่าดูถูกตัวเองนะเราสร้างบา ร, รมีมาเยอะมากแต่ก็อย่าประมาทนะเราก็สร้างกลับมาเยอะมากถ้าไม่มีกรรมเราก็ไม่ได้มาเกิดอีกเรามีสองด้าน ไม่อาจเจนก็ปวดประองนะอาจเจนก็รู้สึกอีกแบบนึงมันไม่งามฉันไม่อยากฉันเส้นายมันออกมาหมดใช่ไหมนะชีวิตเราเราชอบพอจะเอาเข้าไม่ชอบพอออกนะนั่นะแห ล, ละเอาออกเป็นเรื่องที่ดีมากนะแล้วก็เนี่ยปืดปร ะ, ประเป็นเรื่องปกติเราปฏิบัติแนวนี้เน่ยช่วงขั้นตอนแรกๆกําลังปรับสมดุลของร่างกายเนี่ยความไม่ปกเกิดความไม่ปกติเกิดขึ้นเวียนหัวบ้างปืดประอระมบ้างหนักหัวหนักไถ้ถอยบ้าง ทองอืดทองร่วงได้บ้างเนี่ยเป็นความปกติของแนวนี้ท่านนั่งแล้วไม่มีอะไรเลยมีแต่ความรู้สึกสุขเฉยๆนั้นอันนั้นได้พักผ่อนเฉยๆไม่ได้อะไรเลยนะครับอย่ากลัวนะจาไว้ว่าจิตไม่ทําร้ายร่างกายนี้แน่นอนจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวจิตก็ต้องอาศัยร่างนี้เป็นเครื่องมือเดินทางไกลของเขาในขณะเดียวกันอย่าไปเชื่อใจตัวเอง ใจตัวเองหลอกตัวเองมาตลอดชีวิตถูกเ้าด่ามาบอกเจ็บใจเจ็บใจถ้าเธอไม่ด่าไปคืนนะไอจิตสั่งปากด่าไปเลยถ้าไม่ด่าเนี่ยคืนนี้ฉันจะนอนไม่หลับไอจิตกลัวมันจะเจ็บใจเนี่ยด่าตามใจเลยมันบอกดีใจและสะใจเอาอาหารเนี่ยม่นิตมันก็ออกลูกมันออกลูกพราะเขาด่ามาคืนบอกว่าด่าเฉยๆนี่ลูกฉันไม่พอิจนะฉันจะนอนไม่หลับลูกฉันก็ไม่นอนไม่หลับบอก ตกมันไปเลยนะด่าไม่พอตกเลยไอ้จิตเรามันกลัวใจมันเสียใจนะนอนไม่หลับมันมักง่ายตกไปเลยโอ้มันบอกดีใจนะลูกก็ดีใจเอากําลังให้ลูกไันกินก็ออกหลานทีนี้เขาตกเมื่อคืนมันบอกว่าตกไม่พอแล้วหลานมันไม่พอกินใช่ไหมมันบอกฆ่ามันเลยเอาปืนมายิงตู้มันไปเลยนะ ใจมันหลอกเรามาตลอดชีวิตมันหลอกให้เราสร้างกรรมตลอดเหมือนเราเดินไปสุนัขมันเห่าเราเนี่ยอู้โกรธมันมากมึงเห่ากูทําไมวะเออถ้าเราเห่ามันตอบเราก็กลายเป็นสุนัขเหมือนมันทุกวันนี้เราเข้าใจมันไม่เข้าจิตสมองรู้แต่จิตไม่รู้เราสู้อารมณ์เราไม่ได้เราก็เผลอไปสร้างกรรมตลอดเรารู้ทั้งรู้ว่าเขาด่าเรามันเป็นคนไม่ดีมันทําให้เราเจ็บใจไแต่เรากลัวเสียเปรียบแล้วก็ด่ามันเราก็กลายเป็นคนไม่ดีเหมือนเขา เนี่ยเขาเรียกว่าเข้าใจไม่เข้าจิตสมองรู้แต่จิตไม่รู้นะเราเป็นท่ายของอารมณ์ที่ใจอยเชื่อใจคือชีวิตเราให้กับจิตจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวจิตเขามีแต่รักษาร่างกายนี้เขารู้ว่าร่างกายนี้ถรกไหนปกพ้องคุณหมอก็รู้เป็นเรื่องเรื่องรู้เป็นเรื่องเรื่องคนนี้รู้ตับรู้คนนี้รู้ไตคนนี้โรคหัวใจคนนี้โรคปอดคนนี้เรื่องตาก็เรื่องเรื่องหูนะนะแต่จิตมันรู้ทั้งหมด เขารู้ว่าร่างกายเราตรงไหนบวบพองดินน้ำลมไฟอะไรเดี๋ยวเขาปรับสมดุลนะเทให้กับจิตเดี๋ยวจิตเขาจะรักษาอันนี้เดี๋ยววันวันหลังพวกคุณมีเวลาก็พูดองรายละเอียดนะการเป็นสิ่งเดียวกับการหมุนเป็นสิ่งเดียวกับการเต้นต้องพิจารณาอย่างไรเราคุ้นเคยกับการพิจารณาเราคุ้นเคยกับการกระทำนะบางทีพูดจิตปึ๊บ ไปจับที่ไหน <c oughs> เห็นไไปจับที่ขวาซ้ายพุทธโอหรือว่าไปเพ่งกรินอะไรเนี่ยเราคุ้นเคยกับการฝึกจิตแบบนั้นอันนั้นเป็นระดับแค่สัมมาถากรรมฐ า, านนะพระพุทธ อ, องค์ยกตัวอย่างสมัคร40กองกรรมฐ า, านนะกรมมฐานเนี่ยเป็นตัวอย่างบางตอนนะใบไม้กับมือเดียวเนี่ยนะดึงใบไหนมาลองฝึกดูก็ได้นะแต่ใบไม้ทั้งป่าเยอะมาก แต่อาตัวนั้นเป็นแค่ขั้นเบื้องต้นที่เราต้องพิจารณาต้องเพ่งตรองเลยเหมือนเด็กๆ เ, เกินมาใหม่ๆนี่เดินยังไม่เป็นคุณพ่อคุณแม่ก็สอนให้ยืนตั้งไข่ก่อนเป็นอุบายวิธีให้ควบคุมตัวเองไม่ลมนั่นคือสมาธิเดินมาลูกทีละเก้าทีละเก้านั่นคือสติแต่ตอนนี้ชีวิตเราวิ่งยังไม่ทันเลยกิเลีมันขี่จรวด น, นะช่วงเดินทางของจิตไม่ใช่ช่วงฝึกแบบนั้นนี่เรียกว่ามัคคจิตเป็นช่วงเดินทางแต่เราคุ้นเคยว่า ไปไหนไปปฏิบัติธรรมพอตามไปดูปุ๊บ ก, ก็ไปฝึอกอนุสตินะฝึกสัมมาทัรษมฐ า, านฝึกสมาธิจเจริญสติอันนั้นไม่เรียกว่าปฏิบัติธรรมนะอันนั้นเป็นวิชาฝึกสมาธิจเจริญสติปฏิบัติธรรมต้องจเจริญมั่งผลนิพันธ์การจเจริญมั่งต้องใช้สติใช้สมาธิไม่ใช่ไปฝึกมันนะเหมือนนักมวยเราชกก็สอบเราขยันมากชกชกเราก็แข็งแรงระดับหนึ่งนะ เราเตะมันเตะมันชกมันแต่ไม่เคยขึ้นเวทีเลยเราจะไม่เกิดปัญญาไม่เกิดทักษะเพราะกระสอบมันชกเราคืนไม่ได้พอนักมวยขึ้นเวทีแล้วเนี่ยคู่ต่อสู้มันบอกเราไหมระวังนะฉันกำลังชกขวาแล้วเนี่ยมันบอกหรือเปล่าไม่บอกมันใส่มาเลยตอนนั้นเราต้องใช้สมาธิสติเราอยู่หลบหลีกมันคู่ต่อสู้เราก็คืออารมณ์นั่นแหละอารมณ์ภายนอกเรียกว่าเวทนาในเวทนาอารมณ์ภายในจิตเรียกว่าธรรมในธรรมคือธรมอรมะลมเป็น อารมณ์ในอดีตเราบันทึกไว้ทำในธรรมที่นี่ไม่ใช่ว่าไปรู้ทำมารู้พอใจบิดอกกันอันนั้นไม่ใช่อันนั้นรู้วิชาการเฉยๆไม่ใช่ธรรมทำในธรรมนี่คืออารมณ์ภายในเนี่ยกายเวทนาจิตธรรมนี่คือฐานทั้งสี่เรียกว่าสติปัฏฐานสี่บางคนเรียนแบบทีละขั้นในฐานกายฐานเวทนาฐานจิตฐานธรรมนะอย่างหลวงปู่มัน่นเราครูบาอาจารย์ ใหญ่ภาคีสาเนี่ยท่านเดินแบบกระบวนนั้นต้องอาศัยฌานีเขาไปทีละขั้นเรียกว่าสติปัฏฐานสีแต่ที่เราเวี่ยงนี่เราเวียงกายเวะะ็นตัวรวมเป็นหนึ่งเดียวเลยเนี่ยนะกายเว็นตเป็นทีเดียวเลยทีเดียวในขณะจิตเดียวเรียกว่ามหาสติปัฏฐานมหาสติคือสติใหญ่ถ้าเราไม่มีกําลังมหาสติเราไม่สามารถระลึกเอาบา ร, รมีอดีตเรามาต่อยอดได้นะค่อยๆฝึกเดี๋ยวเราจะเห็นด้วยตัวเราเองเนาะนั่นแหละ ไม่ต้องพิจรารณาอะไรเพราะครูบอกแล้วว่าสัตว์วรู้สัตว์วิเห็นไม่พิจรารณาไม่ตัดสินคือว่าเราอยู่กับการเต้นเราก็อยู่กับการเต้นมันก็จะคิดมันก็คิดอยู่ก็ให้มันคิดไปอย่ายไปคิดตามมันเท่านั้นเองเราอยู่กับการล้มเราก็อยู่กับการล้มเราอยู่กับการกินข้าวเราก็อยู่กับการกินข้าวเราอยู่กับอาบน้ําก็อยู่กับอาน้านําไม่ใช่ว่าอาบน้ําอยู่ก็มือยลอยเนี่ยไปคิดถึงอนาคตจะไปทําอะไรนึกถึงอดีตอันนั้นไม่อยู่ปัจจุบันละ นะเอาเป็นว่าไม่ต้องพิจารณาไม่ต้องตัดสินรู้เฉยๆนะครับดีมากครัช่วยกันถามเนาะคนยุคใหม่ประมาณว่าฉันได้เตือนเธอแล้วฉันได้ทาหน้าที่ของฉันแล้วถือเป็นความเมตตาและการวางเฉยที่ควรจะเป็นไหม่นะถ้าถ้าเป็นการวางเฉยก็ไม่ต้องถามว่าอะไรนะก็เฉยๆเนะีอันนี้ไม่เฉยนะี่ยังมีถามหรือว่ามันถูกไหมนะ เราเตือนเขาได้ความบริสุทธิ์ใจก็เตือนไปเถอะ น, นะเขาจะฟังไม่ฟังก็ไปเรื่องเขาเราได้ทำหน้าที่เราจบนะส่วนอุเบกขาเนี่ยอุเบกขาไม่ได้เพราะว่าปากใบไม่พูดไม่จานะอุเบกขาก็คือว่าเออไม่ไม่ไม่ไมเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์เลยนะก็พูดอย่างมีสติแล้วก็มีเมตตามีความหวังดีจริงๆนะบางครั้งเนี่ยอยากจะพูดต้องไม่พูด บางครั้งไม่อยากจะพูดต้องพูดถ้าคนเมตานะนะเพราะพูดแล้วมันเกิดมรรคผลเกิดมีการให้ทานแต่บางครั้งอยากพูดอย่าพูดเพราะมันตัวอยากมันคือตันหาอันนี้เป็นกิเลสอยากพูดอย่าพูดไม่อยากพูดพูดซะนะถ้าพูดแล้วสิ่งนั้นมันเกิดสร้างสรรนะมันกลับกันนะก็ ไม่เป็นไรฮะก็มีอะไรก็แลกเปลี่ยนนะแต่จริงๆแล้วเตอนนี้ยุคนี้เป็นยุคเขาเรียกว่า knowledge base เป็นยุคองค์ความรู้เอาความรู้มาถกกันว่าตั้งภาษาว่าไอ้นี่มันแปลว่านี่ผ่านแปลว่าอับตาแปลว่านันตานะมันไม่เกี่ยวกันพลทุกข์เลยนะปัญญาไม่ได้แปลว่ารู้มากปัญญาคือรู้แจ้งเห็นจริงแล้วก็วางได้ รู้วิธีว่าอ๋ออ๋อมันหนักกว่านี่คือปัญญาเรายิงเป้าบินถูเนี่ยเรายิงเป้าบินถูกนี่ ย, ย, ยคือปัญญาถ้าไม่มีปัญญายิงเป้าบินไม่ถูกเห็น ไ, ไหมคือเราใช้สติมันดาปุ๊บเรากระทบหัวเราดับเลยนั่นแหละคือปัญญาคนมีปัญญาดับไม่ทันเห็น ไ, ไหมไม่ใช่แปลว่ามีความรู้มากนะความรู้หนึ่ง เขาเรียกว่า knowledge ปัญญาเป็น wisdom มันเป็นเรื่องบา ร, รมีเก่าเรามันเป็นเรื่องของอินทรีย์พละนะเหมือนเหมือนเรายกอะไรหนักๆขึ้นนะเห็นไหมไม่ใช่มีความรู้เยอะๆแต่ยกไม่ขึ้นนะนะที่เรายกขึ้นถ้าไม่มีปัญญาเราก็ยกไม่ขึ้นนะอันนี้ยกตัวอย่างเนาะถ้าไม่มีปัญญาปุ๊บเราก็ไม่รู้เท่าทันอารมณ์ไม่รู้เท่าทันกิเลสนะนะก็ตอนนี้หมดเวลาแล้วก็ช่วงนี้เบตรง น, นี้ก่อน แล้วก็ให้ทุกท่านเข้าห้องน้ำสักทักหนึ่งก็มาปฏิบัตินานๆาาจิตตั้งสักคู่หนึ่งค่อยไปนอนนะครับเชิญเลยครับ